ก่อนที่จะให้พอเนี่ยหลวงพวานะเนี่ยหลวงปู่บุญนี่หลวงปูล่ลี่นางกรหลวงพ่อ น, อนี่ยอาถนะของหลวงตาเนี่เวลาเ้าจัดอาหารในีหลวงพออ่อยากจะห้หางก็นั่งก็ดีเท่ากันเนีเออเบิงนะ้งหน้าคูบานะคูบาลน้องคูบานุงาน่งทั้งหลายเออแค่ว่าที่นั่งของหลวงตาเนี่เป็นเจดีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เคารพเออย่างพระ อ, อนน์เนี่ย พระพุทธเจ้าปรินิพานไปตรงไหนที่พระพุทธเจ้าเคยประทับนั่งหรือประทับชีหะสายญาติคือประทับนอนน่ะพระอานนท์จะค่อยคุกเข่าเข้าไปทาความสะอาดด้วยแสดงความเคารพเพราะนั้นสถานที่นั่งขององคุลตาเราก็ดีจะเป็นที่นั่งตรงไหนเราจะไม่ไม่ควรจะไปนั่งตรงนั้นหรือว่าสถานที่นั่งแห่งนี้ เราก็ควรจะแสดงความเคารพเหมือนกับเจดีเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อเห็นพวกครูบาลน้องนุ่งจัดอาหารเข้าไปชิดที่นั่งของลุงตาเกินไปน่าจะมีอะไรกั้นๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อนี้ความเห็นของหลวงพ่อนะถ้าผู้ใดสงสัยจะกร่าบเรียนถามลุงปู่บุญมีลุงปู่ลีนี่ก็ได้เนีุ่ง พี่ๆของหลวงพอ่ออะไรพรอในแตเนเนอะมีอะไรค่อยว่ากันอีกที่หลังนะเน้ อ, อ, อที่จะรายงานอะไรจะชี้แจงอะไรให้แกคณะทาย า, า, าติโยมลูกหลานให้ได้ทราบ เ, เป็นไงคณะทายาทโยมอยากจะฟังหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะอยากจะฟังเหรอเอ๊อยากจะฟังเฉย อยากจะให้ยกมือขึ้นด้วยนะเอาใครจงการฟังยกมือขึ้นเลยเจ้หวงพ่อเองก็ได้ยินเสียงต่ว่ามาหมุบบอมุบเหมือนกันมาทำไมลูกพ่อไปพูดนะแต่ตามม่จริงพูดที่อยู่ห่างไกลจากหลวงพ่อนะก็คงอยากจะฟังว่าองค์ลูกตาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรณวันนี้ีหลวงตาไปตั้งแต่วันที่27 27ธันวา 5, 2,553 จนถึงวันนี้วันที่4มกราคม 2,554 แปลว่าไปข้ามปีเลออยงั้นอุงตาของเราไปทาวนี้ไปนานมากงั้นแล้ววันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่4มกราคมพุทธศักราช 2,554 แรม14ค่ำเดือนหนึ่ง เป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยมือเช้าพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดพระทั้งหมดมีอยู่9090 90กว่ารูปนะลงโบสถมืเช้านี่หลวงพ่อเองก็จําไม่ได้ว่า90เท่าไหร่แต่ว่า90้าสกว่าองค์เกือบร้อยพระลงอุโบสถมื้อเช้านี่ลงตั้งแต่ตีห้านะหลวงพ่อจะชี้แจง อาการอ า, าพาธขององค์หลวงตาตั้งแต่วันที่วันที่27ธันวาพุทธศักราช2553แต่คณะทาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามีหลายกลุ่มมีหลายคณะมีหลายคนนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นแต่ทำไมหลวงตาจึงไปโรงพยาบาลสิริราชอย่างนี้ใครเป็นผู้นิมนต์ทำไมจึงนิมนต์ไป เหล่านี้ก็คงจะมีในจิตในใจของพวกเราคือวันที่26ตอนประมาณมสัก8ปโมงสิบโมงนั่นคุณณเลศที่เป็นเจ้าภาพทอดกระถินเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณณเลศขึ้นมาจากกรุงเทพมาก็มาพูดกับผู้กำกับของเรานี่แหละบอกว่าถ้านิมนต์องค์ลงตาไปตรวจที่สิริราชจะดีไหม ทางผวกกำกับก็ว่าเห็นด้วยมาปรึกษาคณะสงฆ์คณะสงฆ์อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นด้วยปรึกษาองค์ไหนองค์ไหนก็ว่าเห็นด้วยถ้าลงตาไปถ้าลงตาไม่ไปเนไม่เห็นด้วยถ้าลงตาไปเนเห็นด้วยนะแต่นี้ท่านผู้กำกับก็เ ข, ข้าไปก็ไปกราบราตนาหลวงตานะอันนี้เริ่มเริ่มแรกพูดเริ่มแรกให้ฟังเ พ, าพาาราะคณะสัตยายาดโยมหลายจิตหลายใจอย่างว่านะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยไง ทำไมไปนะในสาเหตุที่ไปเพราะอะไรเนะ่ยหลวงพ่อจะเท้าความให้ฟังเมื่อเท้าความให้ฟังแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะสุดแท้แต่ใจแต่ทิงยังไงก็ไปมาแล้วนะทีนี้ก็ท่านภูมิกับก็บอกว่าขอกลับพระราชนาหลวงตาไปตรวจสุขภาพที่สีดิราดนะทันทีแรกภูมิกับบอกว่าไปไปวันเดียวก็กลับไปแล้วก็กลับระครับหลวงตาเหมือนนะ่นะ ท่านลงตาลงตานั้นก็ฟังนั่งท่านนั่งนะแต่ทุนนเรศก็ น, นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็พระสงฆ์ก็หลายองค์เกือบจะเป็นสิบองค์มัง้งนั่งอยู่ร อ, อบๆอยู่แล้วก็ท่านก็ถามแต่อาตมาก็อยู่ในนั้นแหละในเหตุการณ์แต่กองกลับก็ว่าอารธนาหลายครัง้งท่านก็บอกว่าท่านก็พูดว่านะลงตาพูดว่าถ้าเราไปมันจะยุ่งนะลงตาว่านะอ ท่านเอ่ยขึ้นคำแรกว่าถ้าเราไปเนี่ยมันจะยุ่งนะผูววกก้กงกลับเขาว่าไม่ยุ่งเราลงตาเพอไปวันเดีย ว, วไปวันเดียวเขาคงไม่มีอะไรคงจะกลับมาไปตรวจสุขภาพแล้วก็กลับมาลงตาท่านก่อไปพูดอะไรนะท่านก่นนิ่งเงียบฟังสรุปแล้วลงตานี่ไม่ใช่ตัดสินใจง่ายๆน ะ, ะไม่ใช่ท่านติดตัดสินใจง่ายๆท่านฟังนิ่งเงียบแต่เหมือนกับนั้นแหะเมือ่อท่านไม่ใส่ใจแต่ท่านใส่ใจนะ จากนั้นก็พูดคุยนานพอสมควรจากนั้นท่านก็อ่ะไปะออกไปทางนอกจากนั้นขะนั่งรถก๊อฟนะวันนั้นนั่งรถก๊อฟไปเลือถึงหมู่บ้านมั้งพอถึงหมู่บ้านท่านก็ย้อนกลับมาพอกลับมาท่านก็บอ่้าวไปก็ไปน่ยนีไม่ใช่ว่าพวกเราตัดสินใจแทนท่านนะอันนี้นี่คือประเด็นประโยคแรกนะหลวงตาตัดสินใจเองเนีทั้งที่หบพระกาพระธรรนานมนาน ท่านกลับมาท่านก็เออเอาไปก็ไปไปก็ไปยังไงทางนี้ก็จัด ก, การหาเครื่องนะคุณหมอติโยร์น่ยที่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เลยติตดต่อประสานในเครื่องกองทัพเรือทหารทหารเรือมาจากบินมาจากสัตีหีบเพราะงั้นเดี๋ยเครื่องคันนี้ประมาณ20ที่นั่งแล้วก็บินมาจากสัตีหีบมาลงที่อุดรของเราจากนั้นก็วันที่27 ฉันจังหารเสร็จประมาณ10บโมงส0บนาฬิกาน่ยหลวงตาก็ได้ขึ้นเครื่องไปกับพระ3ามสี่โรคนกับคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นด้วยนะอันนี้ผลวงพอไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไปแต่ว่ารับทราบตอนนั้นเองพอหลวงพ่อติดธุระวันนั้นจากนั้นหลวงตาก็บินจากอุดรไปลงที่ดอนเมืองนะสนามบินดอนเมืองพอถึงดอนเมืองเสร็จแล้ว รถสิริราชรถพยาบาลกับตำรวจนําทางก็มารับหลวงตาที่สนามบินจากนั้นก็นําหลวงตาไปสิริราชไปถึงที่รั่นก็ประมาณสักบ่ายโมงนะไปบ่ายไปถึงสิริราชพอจากนั้นมาพอจากนั้นก็เขาให้หลวงตาพักผอดในวันที่27ให้หลวงตาพักก็หลวงตาเหนื่อยในการเดินทางแต่ตอนนี้คณะแพทย์เขากด ประชุมหารือกันแหละทนนี้ว่าจะเอาอยัางไงจะรักษาลงตายยังไงตั้งแต่คณะบดีลงมาศาสตราจารย์นายแพทย์ทั้งหมดอยู่ในสิทธิราชที่เกี่ยวข้องกับองค์ลงตาแต่ละแผนกแผนกติดเชื้อแผนกปอดแผนกหัวใจแผนกที่ลงตาเป็นอะไรเนี่ยเขาแผนกนั้นก็จะเข้ามาร่วมคณะบดีท่านจะเชิญมาประชุมนะจากนั้นก็ให้ลงตาพักผ่อนเมื่อวันที่27คืนมาที่27 วันที่28เนี่ยอตมาไปถึงไปถึงประมาณสักสิบโมงเข้าไปที่สิริราชก็ไปประเด็เขาไปร่วมไปชุมไปไปชมที่ห้องสิริราชก็มีคณะบดีเป็นประธานในการาดูแลรักษาการอาพาธเขาไปถามแยกถามการจัดรักษากันยังไงลักษณะอย่างนั้น อ, อ่ก็มีพระสงฆ์สี่ห้าหกโรคมีหลวงพ่อสุดใจมีท่าน หลวงพ่อประดิษฐ์ท่านขนกท่านหลวงพ่อนกปนหลวงพ่อ น, น่นั่งอยู่ในห้องประชุมนั้นจากนั้นคณะบดีก็ถามว่าองค์หลวงตาเนี่ยการจะรักษาเนี่ยใครเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าของไข้ใครเป็นเจ้าของไข้แล้วใครจะเป็นผู้อนุญาตในการรักษาอันนี้ก็คือพูดตามกฎหมายของตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลนงะแต่ใ น, นท่านก็ถามมา หลวงพ่อก็นั่งอยู่ในนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นสุดแท้แต่หลวงตาหลวงตาอนุญาตให้ทําอะไรก็ทําได้เท่านั้นถ้าหลวงตาไม่อนุญาตก็ไม่ควรจะทําถ้าหลวงตาอนุญาตจึงจะทําในเรื่องนั้นได้แต่เมื่อหลวงตาอนุญาตแล้วก็ให้หลวงพ่อสุดใจเป็นผู้เซนเเจนให้เข้าเป็นเพราะท่านสุดใจเป็น ร้องเจ้ า, าวานอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเนี่ยท่านดูใจเป็นผู้เซนว่าเป็นคนไข้ของท่านหลงพ่อสุดใจนะหลวงพ่อดูใจเป็นผู้เซนแต่ต้องได้รับอนุญาตจากล่งตาก่อ น, นอันนี้ก็คือได้พูดในที่ประชุมในวันนั้นจากนั้นก็เขาก็ให้ทั้งฝ่ายพระออกไปที น, นั้นนายคณะแพทย์เขาประชุมกันต่ออีกเพื่อจะวางแผนรักษาองค์ล่งตาจนถึงวันที่8น ะ, นะก็เริ่มการรักษาแล้วทีนี้ วันที่28นะเริ่มการรักษาจากนั้นก็รักษามาเรื่อยๆๆแต่นี้ก็มีมากเลยตอนนี้จะบริยายไม่จบเลยตอนนี้ในการรักษาองค์ลุงตาจนถึงวันที่สวันที่สองวันที่สองลุงตาก็บอกว่านะอยากจะกลับความประสงค์ของอนะแพทย์นั้นอณแพทย์อยากจะให้อยู่ทั้งวันที่8ปนะคบคลอดของเขาว่างั้นเถอะถ้าถึงวันที่8ปแปลว่า จะได้มนุ์องค์ลงตาได้เลยไม่มีปัญหาแต่แตอนนี้ลงตาพอถึงวันที่สองเนี่ยลงตาอยากจะกลับแล้วงั้นแต่พวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่นี้พอจะกลับเราก็บอกหมอเข้ามาพวกอาจารย์หมอนิพนธ์เข้ามาลงตาก็คงกลับจริงจากนั้นคณะแพทย์กระบอกก็ถ่าเป็นอย่างนั้นก็วันที่สามข้อคงจะให้ลงตากลับได้ละเพราะลงตาคงอยากจะกลับ ตอนนี้คณะแพทย์ก็เลยปไปชุมหาฤกษ์กันกับวันที่สานะ่ยก็ตอนเช้าประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีพระบรมราชินีก็เข้ามากราบองค์หลวงตาพอหลวงตาจะกลับแล้วเนี่ยวันที่วันที่สแล้วฝ้ายหญิงจุฬาภรณ์ท่านมาก่อนสเสด็จมาก่อนแล้วต่อมาก็พระบรมราชินีสเสด็จมาอีกมาก็มากราบวากราบหลวงตา พอกราบลงตาเสร็จแล้วพระบรมราชนีก็เสด็จกลับแต่ฟ้าหญิงยังยังประทับอยู่ที่นั่นจากชัวระยะหนึ่งจากนั้นก็ฟ้าหญิงก็จะเด็ดกลับหลวงตาก็ออกจากโรงพยาบาล เ, เวลาเก้านาฬิกาเนาฬกา ก, กว่ากวาเมื่อวานเนี่ยเกนาฬิกาจากนั้นมาถึงสนามบินเกิใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงประมาณส0บนาฬิกาเสร็จร จ, จากนั้นก็ขึ้นเครื่องกองทัพอากาศเมื่อวานนี่ ลำใหญ่นะจุนคนเกือบเป็นร้อยกว่าคน่ะถ้านั่งแต่หลวงพ่อก็ได้นั่งมาด้วยในในเครื่องเครื่องบินมีท่อนมีพระมาเกือบสิบองค์นั่งมาเครื่องเมื่อวานนะี้ก็ลงตาก็ขึ้นไปทางท้งท้ายนะนะเอเอเข่งรถขึ้นไปไปขึ้นไปก็ไปไ ป, ไปล็อกเตียงอยู่ในในตัวเครื่องบินนั่นอนะ่จากนั้นก็เครื่องบินก็บินขึ้นประมาณสักสินาฬิกา ก, กว่ามาถึงอุดรของเราก็ 11นาฬกานาทีเมื่อวานเนีน่ยจากนั้นก็พอลงจากเครื่องพี่น้องประชาชนชาวอุดรไปตอนรับเสร็จโอ้โแน่นอุ่นหนาฝาคั่งเพราะงั้นถึงไปตอนรับองค์หลวงตาเราทั้งอยู่ในวัดก็มากจากนั้นท่า น, นก็นั่งรถมาล ง, ลงปุ่งปุ่งป่ท่านบอกว่ากุฏิของหลวงตานี่ในกรุงเทพได้บอกสั่งมาเลยว่าทางขออโรงพยาบาลหรือทางศีนกริน ให้เตรียมห้องห้องโวงตาไว้ห้องคราวในห้องปลอดเชื้อนะแต่ก่อนคือเป็นห้องทั่วๆไปแต่คราวนี้ดวงตาอาการขนาดนี้แล้วควรจะมีเป็นห้องปลอดเชื้อในกุติของดวงตาก็ได้สั่งมาแต่เมื่อสั่งมาก็เป็นวันหจุดพอดีเลยในช่วงวันที่29 30ิบเก้าหนึ่งสอสสเนี่ยแต่ทางร้านค้าก็ไม่ขายอุปกรณ์ ทางคนก็ไม่มีใครทำงานไพระที่อยู่ทางนี้ผูด้ดูแลทางนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ทราบทราบว่าวันนี้อุปกรณ์จะขึ้นมาละจะขึ้นมาถึงวันนี้สั่งจากกรุงเทพนะคืออุปกรณ์บางตัวห้องปอดเชื้อเนี่ยแถบแถบนี้ไม่มีก็ต้องสั่งมาจากกรุงเทพแล้วก็จะขึ้นมาม า, ม า, มาวันนี้แหละอย่คิดว่าการติดตั้งก็ไม่น่าจะนานวาพระท่านพูดนะประมาณสักวันสองวันก็น่าจะเสร็จได้จากนั้นก็ทางโรงพยาบาล สีนครินทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรจะเข้ามาติดอุปกรณ์การแพทย์ห้องปลอดเชื้อนี้ว่างั้นจะติดไฟยังไงจะติดอะไรยังไงอันนั้นก็คื อ, เ, อเป็นหลักวิชาทางแพทย์จะมาติดในห้องกุฏิของหลวงตาเพราะฉะนั้นขณะที่ทํางานอยู่นี่หลวงปู่ลีคิดว่าไม่สะดวกที่จะกลับมาอยู่ห้องนี้หลวงปู่ลีก็เลยเอาไปพักอยู่ข้างนอกแต่ในหลวงตาพักอยู่ข้างนอกนะแลใกล้ใกใ ก, กุฏิหลวงปู่ลีนั่นแหะ อยู่ชั้นล่างก็มีผ้าม่านอะไรกัน้นก็มีพระดูแลกันหลายองค์กัเมื่อคืนนี้ก็มีมากนี่แหละคือความเป็นมา อ, อ, องค์หลวงตาที่นี้มาถามถึงว่าขณะนี้องคหลวงตามีอาการอย่างไรพวกเราคงอยากจะทราบว่าอาการหลวงตาเป็นอย่างไรในขณะนี้แต่เมื่อเช้านี้หลวงพ่อเคเข้าไปถามถามพระนะ เห็นหลวงตานอนอยู่หลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปถามอะไรนะหลวงตาอย่างนอนอยู่หลวงพ่อไปถามพระอุปถาคพระดูแลไข้องคหลวงตาบอกว่าเป็นไงดหลวงตาบอกว่าหลวงตานอนหลับตั้งแต่ลงจากเครื่องบินมาแล้วนอนหลับยาวนานทีเดียวจะเพราะเป็นพ่อหลวงตาเหนื่อยเขาไม่รู้หรือจะเป็นเพราะยายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าหลวงตาหลับนานแต่หลวงตารู้ไหมว่าหลวงตามาถึงวัดแล้วรู้งั้น หลวงตารู้ว่ามาถึงวัดป่าบ้านตาดแล้วแด้เรียนให้ท่านทราบแล้วแล้วหลวงพ่อก็ได้ถามว่ามีอุจจาระไหมบอกคงไม่มีแต่ปัสสาวะน้ําบ่อยปัสสาวะหลายครั้งแต่ปัสสาวะนั้นรู้สึกว่าแย่เข้มข้นแต่ขณะนี้หลวงตาใช้ยาอะไรบ้างคือสารอาหารเนี่ยยังเข้าตลอด24ชั่วโมงนะก็ไม่เคยถอดเลยเข้าทางเส้นเลือดสารอาหารแต่ยา น้ำเกลือก็เอาเข้าแต่บวกกับยาปฏิชีวนะระงับเชื้อลาประกอบมีเชื้อราหมอเขาบอกตรวจมีเชื้อราในในในร่างกายของหลุงตาเขาก็เลยยาระงับเชื้อราตัวหนึ่งที่เข้าไปอนอกจากนั้นก็คงไม่มีไม่ได้ไม่มียาอะไรมิตรสารอาหารกับน้ําเกลือแล้วก็บวกกับยาปฏิชีวนะเพื่อระงับเชือเอ้อราในองค์หลุงตา แต่มาถามว่าขณะที่หลวงตาดีขึ้นไหมตรงนั้นก็นยังแต่ถ้าหาว่าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับขณะที่ก่อนหลวงตาจะลงไปสิทธิราชนั่น ใ, นในสายตาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าหลวงตาดีขึ้นอดีขึ้นที่หลวงตาอยู่ที่นี่ในขณะที่หลวงตาของเราอยู่ที่กรุงเทพเพราะท่านพูดเสียงดังฟังชัดแต่สายสายที่เข้าจมูกที่เข้าไป เอาน้ำในกระเพาะอัอ่ะนนออกแล้วท่านเออกเองออเอ ท, ท่านออกเมื่อวันที่ท่านเออกเมื่อวันที่ยี่เก้าหรือวันที่สาท่านถอดออกเองเลยวงั้นเน่ยท่านําคานหมอก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไรก็เงียบพวงนั้นเนี่ยนั่น น, นี่ยไม่มีสายแล้วที่จมูกไม่มีสายวันนี้ท่านจะฉันอาหารได้หรือไม่ได้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามนะถ้าว่านั้นก็คงจะฉันได้เพราะว่าไม่มีสายอะไรอยู่ในจมูกแล้ว น, นี่แหละอันนี้ก็คืออาการของล้มตาเนี่แหละวันนี้ ก็คิดว่าคงจะได้ทราบข่าวตอนฉันจังหวัดเช่นกัคงจะถามว่าหลวงตาฉันจังหวัดได้ไหมอาการเป็นอย่างไรเนี่ยคงจะทราบได้เพราะในตอนเช้าเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะกล้าถามอะไรท่านท่านก็พักผ่อนอยู่เราก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้ารบกวนท่านนะท่านก็นอนแบบเงียบๆนิ่งๆของท่านนะแต่สรุปแล้วหลวงตานของเราเนี่ยเข้มแข็งจริงๆสรุปแล้ว ดวงตาของเราเนี่ยเข้มแข็งจริงๆ เ, เห็นแล้วกับปริยาของลวงตาเนี่ยเด็ดเดี่ยวอาหาได้ยากเขาว่าเจ็บโบนเจ็บเจ็บปวดปวดไม่มีมีแต่ว่าโอกเหนื่อยสาหรับที่จะเหนื่อยอะไรบอกแต่ว่าเหนื่อยแต่ส่วนอื่นล้มปลามัน ไ, ไ, ไม่ไม่เคยพูดนะท่านอยู่แบบนั้นเลยแต่ว่าเรื่องท่านที่ท่านจะกลับอยากจะกลับนี้เราจะไปพูดอย่างอันนั้นไม่ได้เพราะลวงตาเป็นพระป่า พระป่าพระรงอยู่ในที่สงบสงัดตั้งแต่วันบวชของท่านเอ่อทีนี้เมื่อไปอยู่ในที่คุกพุกผ่านวุ่นวายบางทีหมอเข้าไปพทย์บ้านเข้าไปพระเข้าไปคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยไม่สับบายะสําหรับท่านเพราะท่านต้องการความสงบอยู่แล้วทีนี้นเมื่อเข้าไปนะครับไม่สับบายะไม่สับบายะกับลำคาเนี่ยกลับกลับกลับนีแต่ว่าการดูแลรักษาของหลวงตานั้น หลวงพ่อเห็นน้ำใจของหมอทั้งศิทธิราชทั้งพยาบาลทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคณะบดีทั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ทุกท่านมาดูแลหลวงตาทําด้วยความเคารพรักรเคารพน่านับถือถ้าเป็นพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาก็น่ายกย่องน่านับถื อ, อว่าเป็นผู้ใส่ใจกับพ่อของเราอย่างมากเมื่อนั้นพูด อ, อย่างนั้นได้หมอคณะแพทย์ทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้ององค์งลวงตานั้นทำด้วยจิตทาด้วยใจทําด้วยน้ําใจจริงๆเพรางั้นแต่ไม่ใช่ว่าชักแต่ว่าทำเพราะงั้นแต่ทำด้วยน้ําใจพวกเราเห็นแล้วก็ซึ้งทําด้วยความอ่อนน้อมถ่อมจนจริงๆแต่ว่าการรักษาดวงตานั้นก็อย่างติว่านั่นพอดวงตาอายุมากแล้วจะให้หายปรปปับพันใจอย่างพวกเราอยากจะให้หายมันก็ คงจะยากนะนั่นก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละนี่แหละพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาทุกคู่ทุกคนแต่ถึงยังไงยังไงก็ให้เอาจิตเอาใจช่วยองหลวงต า, าแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อนี่อยากจะเน้นเรื่องความสมัครคีกันนี่แหละเพราะนานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความคิดเห็นแต่ถึงยังไงพวกพี่พี่น้องๆ อพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาปารกันเพราะทุกคนมีรักเคารพในองค์หลวงาตาไม่แพ้กันพูดง่ายๆไม่มีอะไรจะเอาเอาปลอดมาวัดได้คนนี้รักมากคนนี้รักน้อยอย่างนัน้นเลยไม่มีใครที่จะเอาปลอดมาวัดได้เพราะนั้นตัวเองวันรักมากๆเนี่ยคนอื่นจะรักกว่าตัวเองก็ได้พราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าทุกคนมีความรักเคารพในองค์หลวงาตาไม่แพ้กัน แหมพวะนั้นเมื่อในเมือ่อลักเขรลบแต่เอาทําไมลักขรลบแล้วทําไมไม่เข้ามาช่วยแหอทําไมไม่เข้ามามาใกล้แต่ถ้าว่าไม่เข้ามาใกล้ก็เพราะว่ามีคนเข้าไปใกล้อยู่แล้วอพวกเราก็เห็นด้วยเออองค์นี้เข้าไปใกล้ครูบา น, นี้เข้าไปใกล้โยมนี้เข้าไปใกล้เออดีเงินดีแล้วนี่พวกเราก็เห็นด้วยแหมแล้วก็พวกเราก็ถามว่าอยากจะให้พวกเราช่วยอะไรถามมาจริงอยากจะให้พวกเราช่วยอะไร พวกเราก็ยินดีที่จะช่วยแต่ว่าพวกท่านที่เข้าไปแล้วก็เออเอาดีเพราะว่าพวกเราเห็นด้วยเพราะพระอยู่ใกล้ชิดก็ต้องสับปา ย, ยะสําหรับองค์หลวงตาด้วยไม่ใช่ว่าเธอเลิศเธอร่าด้วยศรัทธาเข้าไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันก็คงจะไม่สับปา ย, ยะสาหรับท่านเพราะนั้นเวลาผู้ที่เข้าไปใกล้ก็ต้องสับปา ย, ยะในองค์ท่านท่านสบายกับองค์ไหนครูบาไหนโยมคนไหน หรือว่าหมอคนไหนหรือท่านผู้ใดถ้าท่านสัพปพปยะเราก็ยินดีคล้ายๆว่าส่งเสริมเหมือนกันเถอะส่งเสริม อ, อ, อยากจะให้หลวงตามีความสุขสบายนะพวกเราควรจะมองกันในเหตุเหตุผลอย่างนั้นลหละไดคิดว่าคนนั้นผิดคนที่ถูกพี่น้องโดยกัน ร, รักกันแล้วก็การอยู่ด้วยกันหลวงพ่ออยากจะ อยากจะพูดเรื่องชาดกอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะสอนเรื่องชาดกว่างั้นเพ่อหลวงพ่อนี่ยแต่สมัยเป็นเด็กนะโยมพ่อเนี่สอนสอนเรื่องนิทานสอนชาดกหลวงพ่ออจําได้ดีแต่สมัยเป็นเด็กนะเพราะนั้นหลวงพ่อมากันเลยหลวงพ่อกัเลยสอนเป็นบอกกล่าวเป็นชาดกเหมือนกันพราเห็นไรเพราะว่าเรื่องชาดกนี่ถึงจะกระทบใครก็ไม่กระทบตรงๆเพราะชาดกว่าอย่างนี้อนิทานว่าอย่างนี้ ฝอยนั้นเรื่องชาโดกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นแนวความคิดของคนในยุคก่อนเก่าที่พระพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระภิกษุหกโรบในพระหกโรบเนี่ยชอบก่อเรื่องนะแล้วก่อเรื่องนั้นแล้วก่อเรื่องนี้ก่อเรื่องนั้ก่อนจน พระวินัยมีแต่งเยอะแยะเนี่ยเพราะทัพพระวัีพวกหกนี่แหละเป็นผู้ก่อเรื่องมากที่สุดจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะอบัตเล็กน้อยนะแต่คราวนี้พระสัพพวักขีหกองคเนี่ยไปเห็นพระหกคอกันว่างั้นเถอะไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไปที่ไหนก็นั่งเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งอไปที่ไหนก็เห็นองค์หนึ่ ง, ง, งแต่นี้พระสัพพวเอขีจะทํำยังไง ยุแยงให้พระสององค์นี้แตกกันเองนี่นคนเรามันแปลกเนี่ยจะทํายังไงจะทําให้สององค์นี้แตกแตกสมคีกันแต่นี่ก็หาเรื่องเลยแต่เน่หาเรื่องยุ ه, องค์นั้นพูดให้องค์ท่านนะองค์นี้พูดให้ท่านนะไปพูดแต่และแต่และองค์กันเน่ยเพื่อจะให้พระสององค์นี่ที่มันสนิทกันเนี่ยใ ห, ให้แตกกันเหมื้นกันแต่แต่เน่ก็ยุไปยุมาพระสององค์กับามาดบาดหมางกันจริงๆรีงเลยบาดหมางกัน พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเอ๊ะไม่ดีไม่เป็นผลดีทําไมไปหายุแยงเขาแย่งยุยงให้ให้เขาแตกกันเนี่ยแต่นี้พระพโพธิวงค์ได้ยิงกันเลยเรียก เ, เข้ามาถามว่าเป็นไงพระสัพพวคีเนี่ยไปยุแยงให้สงฆ์แตกให้พระแตกกันใช่ไหมเนี่จากนั้นก็นเลยบัญญัติวินัยภิกษุใดก็าตามแย่งยุยงให้ภิกษุทะเลาะวิวาทกันปรับอาบัติปรับโทษนะปาจิตติเปล่ยนโทษ พระพุทธองบอกว่านี่ยนะเรื่องยุ่แยงให้แตกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องขีดผายลมปากก็จริงอยู่แต่ว่าลมปากนั้นมันคมมันคมกว่าใบมีดโกนอีกทำให้โกนแตกแยกฆ่ากันมามากต่อมากแล้ว เ, เรื่องลมปากนี่นะเพราะนั้นพ่อองต้องระวัง เ, เรื่องลมปากทำให้ตัวเองบาปเป็นบาปเป็นกล้มเพราะลมปากเลยก็มากตัวมากคนได้ดิบไดดีเพราะลมปากก็มากต่อมาก คนได้รับกรรมชั่วเพราะปากก็มากต่อมากคนทาถึงที่สุดออในบาปกรรมทั้งหลายด้วยปากก็มากต่อมากแต่การเลาะวิวาทการยุแยงให้แตกกันนี่ก็มีมากออในครั้งอดีตชาติก็เคยมีมาแล้วพระพุทธองค์แย้มในอดีตชาติก็เคยมีมาแล้วพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ยุแยงแล้วแตกกันแล้ว แล้วจิบหายนะสนั่ยะไมไหนพระเจ้าค่เพราะพระพุทธเจ้าวันเธอต้องการเหรอทับผมพระพุทธองค์ว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัตของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีผานป่าเข้าไปหาราเนื้อในป่าพอไปยิงเก้งยิงกวางของป่าได้แล้วก็เอาเนื้อแห้งมาถวายพระเจ้าแผ่นดินพระราชาพระเจ้าพาราณสี พระราชนัศดีก็ได้สวยเนื้อสัตว์ป่าหลายครั้งต่อหลายหนก็เลยถามว่าเอเผานตะแกเข้าไปในป่าเห็นอะไรว่าแปลกในสายตาของผานแปลกแตกต่างต่า ง, างๆเคยเห็นไหมของที่แปลกแปล ก, ปลกที่ที่เธอเข้าไปในป่าอย่างนั้นะเห็นสิ่งไหนที่แปลกผานก็เลยบอกว่าแปลกที่เห็นอยู่อย่างหนึ่งคือเห็นราชสี คือสิงโตนี่ยมันก็วัวใหญ่วัวผู้ตัวปักใหญ่แต่ราชสีก็ตัวใหญ่แต่มันไปที่ไหนมันคอกเคียกันเอาหลังสีข้างก็เลยสีกันเล่นอไปที่ไหนก็คลอเคียกันเดินไปมาแต่ตามไม่จริงสัตว์สองตัวเนี่ยราชสีกับวัวเนี่ยตามไม่จริงราชสีมันต้องกินวัวนะแต่ที่ทําไมมันเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็ผมเห็นแล้วแปลกแปลกใจครับพระเจ้าไแผ่นดินเอ้ย พรานถ้าคอยดูนะถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวที่สามเข้ามานะให้มาบอกเรานะออันนี้ถ้าว่าเห็นตัวที่สองอย่างนั้นแล้วถ้ามีสัตว์ตัวที่สามเข้ามาให้ให้ใหรีบมาบอกเรานะครับในพรานป่าเนี่ยเลยไปอีกพอไปคอนี้ไปเห็นไปเห็นราชสีกับวัวแล้วไปเห็นหมาจิ้งจอกเด็ยไป็นเห็นหมาจิ้งจอกเป็นตัวที่สาม อยู่ปลเปลี่ยนบวนเวียนปนเปลี่ยนไปด้วยกันทเลยท่านเอก็ไปเห็นพานเห็นก็เลยกลับมาบอกพระเจ้าแผ่ดินบอกว่าเอ้ยตอนนี้กลับมาข้านี้หมาจิ้งจอกเขาเป็นเป็นเพื่อนตัวที่สามตะก่อนไม่เคยเห็นแต่เขาเป็นปัวที่สามหมาจิ้งจอกพระเจ้าแผ่นดินโอไม่ได้ถ้าอีกไม่นานนะสัตว์สองตัวนี่จะจะสังหารกันแล้วนะตอนี้พระเจ้าแผ่นินก็เลยเทียม รถมา้าได้ก็วิ่งออกไปในป่าหิมาพาห์นั่นพอไปที่ไหนได้นะไ อ, อ้ม้าจิงจอกตัว น, นั้นก็อยู่ไปอยู่ไปนานหลายวันเข้าแต่ตามไม่จริงหมาจิงจอกตัว น, นั้นก็คือมันหากินตามปกติทีไรราชเสือสีสิงโตจ น, นก็ไล่มันไล่ตะคุกมันมันก็ยอมโอ้ยอยากท่าผมเถินจะให้ผมทําอะไรผมจะเป็นลูกน้องรับใช้ท่านได้ทุกอย่างหมาจิงจอกมันยอมสารภาพ สิงโตตอนนั้นก็เลยเออถ้ามึงยอมชัลยภาพกูกูก็ไม่กินมึงนะเพราะสิงโตมันกิดอิ่มอาหารอยู่พอสมควรแล้วงั้นกับเอาถาอ้างนั้นมึงเป็นลูกน้องของข้านะม้าจิ้งจอกตอนนั้นก็เลยเป็นลูกน้องของสิงโตเอีตอนนี้นกับกับวัวทั้งสองตัวนั่นแหะตอนนี้นมาพูดถึงสิงโตกับวัวเนี่ยทําไมเป็นเพื่อนกันท่านบอกว่าพวกเลี้ยงวัวในในป่า ไปเลี้ยงวัวในในท้องทุ่งแต่เนี้ก็พอเลี้ยงวัวหลายตัวพอเลี้ยงวัวหลายตัวไอ้นายที่เลี้ยงวัวนั่นอ่ะพอเลี้ยงเสร็จแล้วก็เลยไปส่งให้เจ้าของเขาคือเจ้าของจ้างเลี้ยงวัวงั้นแหละพอจ้างเลี้ยงวัวเสร็จเนี้ยทำถึงกระผมเขาก็เลยเอาไล่วัวกลับไปหาเจ้าของเขาแต่ได้มีแม่วัวตัวหนึ่งแต่เนี้ยมันท้องใหญ่เออมันมีคันท้องใหญ่มันจะมีโรกในท้องมันเดินไปไม่ไหว เดินกับหมูกับฝูงไม่ไหวมันก็เลยแยกทางแยกทางแยกทางไปอยู่อยู่ในป่าเออมันหลบเพราะงั้นก็หลบไม่ไปกับหมูจากนั้นหมูหมูมันก็กลับไปหาเจ้าของเถอะแต่ใ น, นแม่บัวตอนนั้นก็มันก็อยู่ในป่าแต่ใ น, นแม่ของสิงโตตอนนี้นแม่ของราชสีตัว น, นี้ก็มีลูกอีกเหมือนกันอยู่ในท้องในราชสีตัวเมีย ถ้าได้แม่แม่ราชสีตัวเมียกับวัวแม่ทอนนั้น่ะเดินออกมามาเจอกันเลมาเจอกันทั้งที่มันจะกินกันนะอราชสีกับแม่วัวน่ยก็เลยเห็นการรักกันเลมันคงเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาในอดีตชาติงั้นเถอะแล้วมันก็รักกันเือพอรักกันถึงเลยก็หากินด้วยกันผลในสุดแม่ราชสีก็ออกมีลูกขึ้นมาก็เป็นลูกตัวผู้วัวตอนนั้นก็ออกมาก็เป็นลูกตัวผู้อีกเหมือนกันเลอจากนั้นก็ ราชสีห์กับวัวตอนนั้นก็เลยเป็นเพื่อนกันอีกท่เนนี้ลูกของมันเลี้ยงมาด้วยกันใหญ่มาด้วยกันท่านี้แต่แหละท่านี้พอใหญ่มาด้วยกันเนี่ยะมันก็ไปเจอหมาจิ้งจอกอย่างที่ว่าท่านนี้หมาจิ้งจอกก็ยอมเป็นลูกคนเป็นข้ารับใช้วัวเป็นข้ารับใช้ราชสีห์มาแต่วันหนึ่งทนี้หมาจิ้งจอ ก, กมันคิดคิดมาเลยข้าก็เคยได้กินกินเนื้อควางก็เคยได้กิน เนื้อควายก็เคยได้กินเรื่องวัวก็เคยได้กินวัวป่าก็เคยได้กินเนื้อเก่งพระราชศรีเป็นผู้ไปล่าเนื้อไาให้กินน่ยไม้จิงจอกได้กินหมดแต่ยังไม่ได้กินแต่เนื้อราชศรีเนี่ยเอางั้นกับเนื้อวัวเนี่ยเนื้อวัวล้ำล้ำอย่างเนี้ยไม่เคยได้กินเอาเถอะข้าจะยุยงให้สองสัตว์ที่มันสัดกั น, นวันหนึ่งทีนี้ป่าจิงจอกก็เลยเข้าไปหาราชศรีบอกว่าราชศรี ไอ้วัวเนี่ยจะไปไว้ใจเด้ยติดเพื่อนของท่า น, น่ะเอยวัวพูดกับผมว่าเฮ้ยไปสาราสีถ้าจะเอาค่าจะทําเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยข้าจะขีดเมื่อไหร่ก็ได้เนยแต่นี่ท่าไม่ทํำเฉยๆหรอกวัวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เด็ก็ไปพูดให้วัวฟังอีกสิบอกว่าวัวท่านจะไปไว้ใจราชสีดนะอีกสักวันหนึ่งนะเออ ราชสีบอกว่าอีกสักวันเถอะอข้าไม่พอใจอันนี้ทําอะไรข้าขวางหูขว้างตาอยู่ตลอดวัวเนี่ยถึงเป็นเพื่อนของข้าก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าจะขมําให้ดูก็แล้วกันนาอหมาจริงจ脚มันเป็นโยแยงวัวมันวัวอ้าทําไมวะวัวกับราชสีมัก็ไม่ไม่ถามกันอีกสิวัวพูดอย่างนั้นจริงไหมราชสีพูดอย่างนั้นจริงไหม มันไม่ได้ถามกันมิแต่ครึ้งในใจท่นี้แหมท่านี้วัวกับราชสีห์ก็เลยไม่ไม่ลงรอยกันเลยยิ่งแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาราชสีห์ก็เห็นเอ้ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงเหมือนหมาจริงจอกโพธนะเนี่ยไอเจ้าวัวเนี่ยอ้ามันจริงเหมือนล่าเหมือนหมาจริงจอกโพธนะอะราชสีห์เนี่ยรู้สึกมันเป็ไม่เป็นมิตรเหมือนแต่ก่อนนี่ยต่อมาสัตว์สองตัวเลยก็เป็นอริกันท่นี้แออคล้ายๆไม่ไว้ใจกันแหละ ไปที่ไหนกลอกแวงแข่งใจกันผลวในสุด อ, อมันอดทนทนไม่ไหวจริงๆมันก็ทีแรกมันคงจะตาเขียวใส่กันก่อนมั้งไม่เคยมีมันก็เคยมีไอแหมจ้ำเรืองตาใสกันชนะก่อนแหอท้าทายจะกันคาํารามใกันเลยผัวในสุดก็บวัวก็ราจสีก็ซัดกันในกลาง ท, ท, ท้องนาเลยแบบนั้นแต่คุกิดกันไปชนกันมาร่าจีสีก็บตะปบมันใหญ่เท่าๆกันผลวในสุด ราชสีตัวนั้นก็ถูกเขาวัวแทงท้องทะลุเลยงั้นเถอะไอ้เจ้าวัวได้ก็ราชสีกัดทั้งเล็บตะปบก็เลยตายทั้งคู่ว่างั้นเถอะแต่ที้เขาพอดีกับพระเจ้าแผ่นดินไปถึงพอดีกับนายพลานางั้นเอะพอไปถึงที่ไหนได้หมาจิ้งจอกกำลังกินเนื้อราชสีกับกินเนื้อวัวอยู่งั้นเถอะเนมา หมากำลังกินเนื้อวัวกินเนื้อราศีสีอยู่สมใจมันเลยสิพราะเหตุไรพ่อหมาจิงจอกมันยุแยงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะการยุแยงเนี่ยถึงจะเป็นลมปากก็จริงอยู่แต่ก็ต้องระวังต้องให้หนักแน่ น, นเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีมิตร ม, มีสหายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องทําความเข้าใจอย่าไปใจเบาเพราะถ้าใจเบาเดินะ อย่างราชสีกับวัวท่นนะเออพอในสุกก็ประหัดประหารกันพอเหตุไรพ่อหมาจริงเจาะเป็นผู้ยุแยงพระพุทธเจ้าใ น, า น, นในชาดกท่นว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราเกิดมาต้องหนักแน่นในชุมชนในสังคมอย่าไปหูเบาถ้าว่ามีใครมายุ่ยแยงคนที่ได้รับผลแห่งการยุแยงนั้น เป็นผู้ได้รับกรรมได้รับบาปเพราะเหตุไรเพราะว่าสิ่งที่ไม่เกิดมันก็เกิดเพราะเหตุไรเพราะมันมันใจเบาหูเบาเพราะนั้นผู้ที่จะเป็นพระวาดก็ดีจะเป็นนักพรตนักบวชก็ดีอยู่ในสถานที่ใดก็ดีควรจะเป็นผู้หนักแน่นด้วยหลักเหตุผลอย่าเป็นผู้หูเบาอย่าเป็นผู้หูเบาใจเบาไปอยู่ในสถานที่ใดให้ให้หนักแน่น ให้มองรอบรอบด้านรอบซ้ายรอบรอบขวารอบรอบหน้ารอบหลังนี่แหละอันนี้คือคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสงฆ์ในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารท่านที่แรกก็คือเนี่ยชัพภวคีพวกหกยุ้ยแยงให้สงให้พระทะเลาะกันเยพระพุทธเจ้าการยุ้ยแยงให้พระทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นทิบหายนะ มันแตกแยกสั ม, มัาเกียรติได้ไง่ายๆน ะ, อะพอน้นพวกเรา ท, ทุกท่านน ะ, ะทุกคนที่เป็นลูกศิษย์องหลงองหลงตานะีเป็นลูกศิษย์องหลงตาให้เข้มแข็งให้มีห ล, ลักเหตุผลอย่าไปวันไหวไกวแหวนได้ยินสียงไหนมาถ้ามันแปลกๆสิ่งไหนมาแปลกๆให้ถามหาต้นต่ อ, อ, อไม่ใช่ว่าเขาลือมาก็ลือไปอลือมาแล้วก็ลือไป อย่างเมื่อกี้เนะี่ยลือไม่ลู้กี่ลืออถ้าลือไปก็ต้องถามต้องถามผู้ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงให้ให้ถามซะก่อนอไม่ใช่ว่าพูดไปโดยที่ไม่ไมรับผิดชอบก็ทําให้เสียหายได้เหมือนกันเมื่อเขาลือมาเราก็ฟังหน่อยสกห่อยอย่าให้เป็นหลุดออกจากปากเราเป็นคนที่สามนะถึงเขาจะมาพูดว่าเอา้าเรื่องนั้นเป็นยังงั้นนะเราฟังซะก่อนเราจะไม่พูดต่อฮ อยู่กับเราซะก่อนเราก็ต้องถามว่ามันมาอย่างไงเรื่องนี้มันมาอย่างไงเออเขาตอบมัมาา น, น, นมาจากที่ไหนต้นตอมาจากที่ไหนเราต้องถามหาต้นต่อแต่ไม่ใช่ว่าเรามาหาเราแล้วก็ไปเขียนนี่นอย่ะพูดต่อนะเรื่องมันเป็นอย่างยิ่งนี่ไปพูดจะพูดต่อนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอได้โชกันเลยคนนั้นก็อยพูดต่อคนนังนจะเต็มไปหมดเด็ดนี่เอเอฟอยนั้นพวกเราต้องหนักแน่นนะ ในยินเสียงอะไรมาก็ตามอย่าพวกเราต้องฟังนิ่งต้องนิ่งฟังด้วยความสงบนี่แหละคือลูกศิษย์ของพระพุทธญาลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเราอย่าไปใจเบาอย่าไปยาไปหูเบาถ้าหูเบาก็อย่างราชสีกับวัวสองตัวนั่นแหละหมาจิงจอกยุ้แยงใช่ไหมขวิดกัดกันเลยอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็เลยตายทั้งคู่แต่มาพูดถึงเรื่องนี้นะ องหลวงตาเราเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอคำเชีอีนี่หลวงพ่อได้ยินหลวงตาพูด <c oughs> ท่านพูดให้พระฟังนะเวลากลางคืนเวล า, าประชุมเสร็จแล้วพวกเราก็นวดเช่นถวายท่านสมัยก่อนท่านก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็เล่าเรื่องนี่แหละท่านว่าท่านไปจําพรรษาอยู่ที่อำเภอคำเชีอีใกล้ๆบ้านหลวงพ่อเนะ่ยด้นนั้นมันเป็นหลังภูผานทนาะงหลังเขาภูผาน แต่ในหลังเขาภูผานมันเป็นสัตว์มากเลยเป็นมีน้ามีป่าดงพงไปมันตีนเขาลงมามันเป็นล่องหินแตกสัตว์มันจะลงที่ไหนก็ลงเป็นหน้าผาล้อมรอบแต่มันขึ้นไปมันเวลาลมก็ลงตามร่องหินนะหมูป่าหมูเขี้ยวหมูเขี้ยวตัวใหญ่มันก็ขึ้นไปเสือมันก็ลงมาลงมาในล่องหินแตกถ้าพอมันลงมาถ้ามันเห็นกันท่านไอหมูป่ามันก็ท้อนช่ไหมไอตัวเสือมันก็ท้อยช่ไมันก็หมดเรื่องใช่ไหม อันนี้พอมาเห็นแล้วมันไม่ยอมกันท้นี่เออพอมาเห็นในล่องหินแตกเสือก็ไม่ยอมหมูหมูก็ไม่ยอมเสือท่านว่านะดวงตาท่านเล่าให้ฟังพอในสุดเสือกับหมู ส, ส, นนสู้กันในในในล่องหินแตกน่ยมันมันขึ้นไปทีแต่มันขึ้นไม่ได้เพรมันมีแต่กัดกันกัดกันกัดกันสู้กันในร่องพอในสุดหมูก็ลงไปตายข้างล่างเสือในการเคลืนไปตายอยู่อยู่ข้างบนตายทั้งคู่เท่าไงนี่แหละ สรุปล้วก็คือทิฏิเนี่ยทิฐิมานะวันเอวไม่ยอมกันนะไม่ใช่ว่ามันมันจะเก่งนะผลในสุก็ตายทั้งคู่อ่า ง, งั้นแหละหมูก็ตายเสือก็ตายเนี่ยอันนี้ลงตาท่านพูดให้ฟังหมูก็พอกัดเสร็จแล้วลงไปมันก็สู้พิษแผลไม่ไหวเสือมันก็นี่ยแหละทั้งเขี้ยวทั้งเล็บอ่างนั้นทั้งฟันมันกัดแต่หมูมันก็ไม่ใช่ย่อยเมื่อไหร่เขี่ยวก็มันสมัดเอาสมัด สบัดไปที่ไหนก็มีตัวแผลทั้งได้นเสือเนี่ยพลทีสู้ก็ตายขึ้นไปตายอยู่ข้างบนไอหมูจะเนืลงไปตายอยู่ข้างล่างนี่แหละแหมสัรพสัตทั้งหลายไม่มีใครเก่งหรอกถ้าสู้กันแล้วเพราะนั้นไปจองกรมจองเวรให้อภัยกันดีที่สุดถ้าหมูเห็นเสือแล้วก็ต่างโกลต่างถอยซะมันก็จบเนียอันนี้มันสู้กันอย่างนั้นไงจีบหายทั้งสองตัวนี่ยทั้งเสือทั้งหมูเหมือนันนะแหมเพราะนั้นนี่แหละ วันนี้ได้หลวงพ่อได้เล่าความเป็นมาขององค์หลวงตาให้แกพวกเราได้ฟังมาหลวงตาทำไมจึงไปโรงพยาบาลศรีธราชนะหลวงพ่อก็ได้เรียนให้ทราบความเป็นมาแต่ทึงยังไงก็มาถึงจุดที่ว่าขณะนี้หลวงตาก็มาถึงวัดของพวกเราแล้วก็พวกเราคณะสิทธิอนุสิทธิทุกหมู่ทุกเหล่าขอย้ำเตือนว่าให้หนักแน่น ให้มีความพร้อมเพียงสำมัครีให้นักแน่นให้กลมเตรียมเป็นหนึ่งเดียวมีอะไรปรึกษากันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่หลวงพ่อได้เคยบอกกล่าวให้แก่ท่านสัตยาธิโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าพวกเราขอให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศลพวกเราท่านทั้งหลาย ได้สั่งสมมาในอดีตตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้มากหรือน้อยก็ขอให้เป็นพรังเพื่อกุหนุนสุขภาพองหลวงตาขอให้หายจากโรคาพยาติเป็นร่มโพ ร, ร่มใยของพวกรานพวกเรานานเท่านานด้วยเทิน